อ๋อท่านลืมตาแล้วเข้าสมาธิเสร็จแล้วใช่ไหมท่านสมณะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอย่งงางนั้นยังช้ายอยู่ทำไมบบรดาเงินแปดสิบโกดให้ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เถอะ ข้าพเจ้าอยากเห็นเงินจำนวนนั้นใจจะขาดอยู่แล้วใช้ฤทธิเดชของท่านสิท่านสมณะอาตมาทำตามที่ท่านขอไม่ได้เสแล้วอ้าวทำไมท่านสมณะท่านบิดเพรียวใช่ไหมแกล้งข้าพเจ้าดีใจใช่ไหมโธ่ท่านทำกับข้าพเจ้าได้เปล่าเลยอาตมาไม่ได้บิดเพรียวหรือว่าแกล้งให้ท่านดีใจแต่เมื่อกี้นี้อาตมาได้เข้าสมาธิ ตรวจดูอนาคตของท่านแล้วเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวว่าท่านไม่สมควรจะได้เงินแปดสิบโกดนี้ทําไมท่านสัตวถ้าท่านไม่ซับแปดสิบโกดท่านจะมีความทุกข์มากกว่านี้หลายเท่าท่านจะมีความวิตกกังวลมากกว่านี้ท่านจะกินไม่ได้นอนไม่หลับท่านจะมีศัตรูมากกว่านี้ท่านจะมีใบหน้าหม่นหมองร่างกายซูกผอม โรคปวดศิษะจะรบกวนท่านหนักยิ่งขึ้นแทบจะทำให้ท่านวิกลจริตทีเดียวและในที่สุดท่านก็จะต้องตายตายท่านจะต้องตายด้วยความทุกข์ถึงตายเถอะท่านสมณะถึงตายอย่างแน่นอนอาตมาเห็นมาหลายรายแล้ว วิจารณญาณของอาตมาไม่เคยพลาดน่ากลัวจริงๆใช่น่ากลัวมากท่านอยากตายหรือเปล่าล่ะข้าเจ้ายังไม่อยากตายเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจึงเห็นว่าทรัพย์แปดสิบโกดไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับท่านไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านต้องการอย่างรีบด่วนในลานี้ก็คือข้าพเจ้าต้องการอะไรท่านสมณ สิ่งที่ท่านต้องการคือความสุขสบายใจไม่มีกังวลยิ้มแย้มแจ่มใสบริโภคอาหารได้ดีนอนหลับสนิทไม่มีศัตรูมีแต่มิตรผู้หวังดีและรักใคร่ท่านอย่างบริสุทธิ์ใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงท่านจะเอาอย่างไหนอุบาสกจะเอาทรัพย์แปดสิบโกดพร้อมด้วยมหันตทุกข์หรือจเจ้าความสุขสบาย เอาทั้งสองอย่างไม่ได้ท่านสมณะเอาทั้งสองอย่างก็ได้ได้ใช่ไหมได้ก็เอาทั้งสองอย่างเลยแต่ก่อนอื่นท่านต้องเอาความสุขก่อนเมื่อใดท่านมีความสุขแล้วท่านจะเอาทรัพย์สักกี่สิบกี่ร้อยโกดก็ได้ตกลงท่านสมณนะข้าพเจ้าจะเอาความสุขก่อนแล้วเอาทรัพย์แปดสิบกดไปหล่ะข อ, อนิมทน์ท่านทําให้ข้าพเจ้ามีความสุขด้วยเอาละ่ะ อาตมาจะทําให้ท่านมีความสุขเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่นอาตมาถามปัญหาท่านสักสองข้ อ, อก่อนต้องถามปัญหาอย่าท่านสมณะต้องถามก่อนงั้นท่านถามม า, าเลยปัญหาที่ถามท่านจะต้องตอบตามความเป็นจริงอาตมาจึงให้ท่านมีความสุขมีความสุขแน่นะท่านสมณะแน่นอนอาตมารับรองว่าท่านจะมีความสุขแน่ๆในวันนี้ ท่านจะสบายใจปลอดโปร่งใจเบาใจเหมือนมีผู้มายกภูเขาออกจากกบท่านจะบริโภคอาหารได้และนอนหลับดีในวันนี้ถึงขนาดเช่อนยิ่งไปกว่านั้นอีกศัตรูของท่านจะหมดสิ้นไปในวันนี้บรรดาพวกทาสกรรมกรทั้งหลายที่มุ่งร้ายต่อท่านจะกลับกลายเป็นมิตรรักใครเคารพนับถือท่านในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเร็วะ รีบทําให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างที่ท่านบอกข้าพเจ้าก็หายอยากจะมีความสุขเต็มที่แล้วอดี๋ยวเพิ่งใจร้อนอุบาทกรู้อย่างนี้แล้วจะให้ข้าพเจ้าใจเย็นอยู่ได้ยังไงว่าแต่ข้าพเจ้ามีความสุขแน่น่ะท่านมีความสุขสบายแน่ๆเอาล่ะอาตมาจะถามปัญหาแล้วนะถามมาเลยข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วที่จะตอบ อยู่ทำไมอ่ะท่านสมณะถามมาเลยสิท่านนิตใจร้อนจริงๆอาตมาจะถามปัญหาข้อแรกถามมาเลยการที่ท่านต้องการทรัพสมบัติมากๆเนี่ยท่านเอามาไวเพื่ออะไรก็เอาไว้กินไว้ใช้สอยนะสิท่านสมณะท่านตอบถูกต้องตามความเป็นจริงทีเดียวอุบาสกก็ความจริงเป็นอย่างนั้นจะให้ตอบเป็นอื่นได้ยังไงที่ท่านตอบเนนี้ก็หมายความว่า ท่านมีปากใหญ่เป็นพิเศษมีลำคอใหญ่เป็นพิเศษมีท้องใหญ่เป็นพิเศษบริโภคอาหารได้มากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นอย่างนั้นเหรอหาไม่ได้เลยท่านสมณะท่านเพเห็นอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดามีปากคอและท้องเหมือนคนธรรมดาทั่ ว, วไปบริโภคอาหารได้เท่าๆกับคนอื่นหรืออาจจะน้อยกว่าคนอื่นซะอีกอุบาสก คนในเมื่อท่านมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนคนทั่วไปบริโภคอาหารได้เท่ากับคนทั่วไปเช่นี้ก็แล้วอะไรล่ะทําให้ท่านแตกต่างจากคนอื่นๆ อ, อะไรล่ะทาให้ท่านแสวงหาทรัพย์ด้วยความยากลําบากสะสมทรัพย์ไว้มากมายเกินความต้องการของปากและท้องเปรียบเสมือนมดน้อยตัวเดียวเที่ยวขนมเมล็ดข้าวสารมากองไว้เป็นกองใหญ่ ทั้งทงที่ตัวมันกินเองเพียงมเมล็ดเดียวสองเมล็ด ก, ก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็ได้รับความลำบากในการคุ้มครองรักษากองข้าวสารนั้นแทบตายเองจะถูกมดตัวอื่นมาแย่งชิงไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นเพราะเหตุใดนะอุบาสกอืออ่อ อ, อุบาสกเอ้ยความโลภตัวเดียวเท่านั้นทาให้เกิดความอยากได้อยากมี หยาบจนเกินความต้องการของธรรมชาติความโลภคือนายอันทารุนคอยบีบบังคับให้คนวิ่งวุ่นหาทรัพย์มาสะสมไม่มากมายความโลภจะบีบบังคับให้ขวิตตกกังวลกลัวว่าทรัพย์จะสูญหายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งๆ ท, ที่มีทรัพย์มากแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสุขจากทรัพย์คุ้มค่าในที่สุดก็ตายไปได้วยความทุกข์ ทิ้งกองทรัพย์มหาศาลไว้เบื้องหลังเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปโดยที่ตัวเองนำติดตัวไปด้วยไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอุบาสกอาตมา จ, จะสมมุติเชิญท่านสมณะสมมุติว่าท่านตกเป็นทาสของนายผู้ทารุนคนหนึ่ง ซึ่งบังคับให้ท่านทำงานอย่างหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อนหายใจเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็แบ่งอาหารให้ท่านบริโภคเพียงเล็กน้อยอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอาตมาอยากถามว่าท่านจะมีความรักความเคารพและความซื่อสัตย์ต่อนายผู้ทารุณ น, นั้นหรือไม่ท่านจะยินดีรับใช้เขาตลอดไปหรือไม่ข้าพเจ้าจะไม่มีความเคารพรักในตัวนายเช่นนั้นเลย ข้าพเจ้าจะไม่ยินดีรับใช้เขาตลอดไปถ้า ม, มีโอกาสข้าพเจ้าอาจจะฆ่าเขาซะก็ได้หรืออาจจะหลบหนีไปซะก็ได้ถูกแล้วอุบาสกคนฉลาดมีปัญญาย่อมจะกระทำเช่นนั้นคนโง่เขลาเบาวปัญญาและขี้ขลาดเท่านั้นจึงจะยอมอยู่รับใช้นายพุทธารุณ น, นั้นไปตลอดชาติก็เมื่อความโลภเป็นนายพุทธารุณ บังคับให้ท่านทำงานหนะักได้รับความทุกข์เข็นปานนี้แกฉชะไหนท่านจึงยินดีรับใช้เขาได้ความซื่อสัตย์สุจริตทำไมจึงไม่กำจัดความโลภนั้นซะ ยังไงข้าพเจ้าจึงจะสามารถเอาชนะความโลภได้การที่จะเอาชนะความโลภได้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยท่านพอจะแนะได้ใช่ไหมก็พอจะแนะได้ทาอย่างไงท่านสมณะก่อนอื่นท่านต้องเห็นแจมแจ้งเป็นที่ประจักษ์ใจซะก่อนว่าความโลภเป็นนายพุทารุนจริง ท่านต้องเบื่อหน่ายต่อการตกเป็นทาสของมันจริงและต้องตัดสินใจที่จะเปลื้องตนให้พ้นจากแอกอันหนักหน่วงของมันจริงเมื่อท่านตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็จะต้องพิจารณาอีกพิจารณาอะไรท่านสมณะพิจารณาให้เห็นว่าการที่ความโลภมีพลังมหาศาลบีบบังคับท่านอยู่ได้เพราะท่านยอมตกเป็นทาสของมันบำรุงเลี้ยงมันด้วยความซื่อสัตย์ วิธีจะกำจัดมันก็ง่ายนิดเดียวกำจัดมันด้วยวิธีใดท่านสมณะหยุดให้อาหารมันซะอย่าเลี้ยงมันอีกต่อไปหมายความว่าเมื่อท่านเกิดความต้องการอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่ใช่สิ่งจําเป็นแก่ชีวิตอย่างยิ่งยวดขอให้พยายามระ ง, งับความอยากนั้นเสียคงทําไม่ได้ง่ายถูกแล้วการระ ง, งับความอยากนี้ทําได้ยากมาก เพราะความอยากมันมีกำลังเมื่อท่านระ ง, งับมันมันจะต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดความสามารถตอนนี้เป็นวาระอันสำคัญยิ่งถ้าท่านยอมพ่ายแพ้แก่มันท่านจะตกเป็นทาสของมันอีกและมีหวังจะเป็นทาสตลอดไปแต่ถ้าท่านเข้มแข็งพอพยายามข่มมันด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวมันก็จะค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงในที่สุดท่านก็จะชนะมันได้ และจะเป็นผู้ชนะตลอดไปอุบาสกเอ้ยคนเราเกิดมาในโลกนี้ต้องการอิสระเสรีภาพต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าท่านตกเป็นทาสของความโลภท่านจะเป็นอิสระได้ยังไงท่านจะมีความสุขสงบได้ยังไงเมื่อชีวิตของท่านไรอิสระภาพและความสุขชีวิตของท่านจะเป็นยังไงชีวิตจะเป็น<ม>ยังไงท่านสมณะ ชีวิตก็ไร้ความหมายสิท่านสมนะเทศนาของท่านมีเหตุผลฟังจับใจดีเหลือเกินข้าพเจ้าหลงผิดมานานคิดว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติมากๆคงจะมีความสุข ข้าพเจ้าจึงพยายามสะสมทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งร่ำรวยถึงเพียงนี้แต่แล้วแต่แล้วอะไรอุบาสกมัติยะข้าพเจ้าไม่ได้รับความสุขดังคาดหมายกลับได้รับความทุกข์มากขึ้นนั่นเป็นเพราะอะไรเข้าไม่ทราบว่าตนกําลังตกเป็นทาสของนายโลกพุทธารุณแล้วขณะนี้ละ่ะอุบาสก ขณะนี้ข้าพเจ้าทราบความจริงอย่างแจ่มชัดแล้วเมื่อท่านทราบความจริงเช่นนี้แล้วท่านจะทำสถานใดข้าพเจ้าจะไม่ยอมตกเป็นท่าของมันอีกต่อไปทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าที่นี่อยู่เวลานี้มากพอที่จะเลี้ยงคนร้อยครอบครัวไปได้อีกเป็นเวลาตั้งร้อยปีท่านพอแล้วอย่างนั้นแหละข้าพเจ้าพอแล้วพอกันทีสำหรับการรับใช้นายพุทธารุณ ข้าพเจ้าเคยภูมิใจว่าตัวเป็นนายควบคุมทาตจจำนวนร้อยไว้ในอำนาจแต่ที่ไหนได้ข้าพเจ้าเองกลับตกเป็นทาตนายผู้ธารุนยิ่งกว่าโดยไม่รู้สึกตัวอุบาสกคิดถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอัตจจมาขออนุโมทนาต่อแต่นี้ไปท่านจะมีแต่ความสุขเป็นสุขอันประณีเยือกเย็น ซึ่งทรัพย์ภายนอกใดๆไม่สามารถจะให้แก่ท่านได้แต่ว่าศัตรูทั้งหลายเขาขับเจ้าท่านสมณะศัตรูของท่านทําไมล่ะอุบาสกข้ับเจ้าจะทําอย่างไรถึงจะให้เขากลับมาเป็นมิตรได้อ๋อเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวอุบาสกทำอย่างไรท่านสมณะท่านก็พูดแล้วไม่ใช่หรอว่าทรัพย์สมบัติของท่านมีมากมายพอสําหรับคนตั้งร้อยครอบครัว สามารถเลี้ยงดูไปได้ตั้งร้อยปีถ้าท่านยังคงแบกทรัพย์ทั้งหมดนี้ไว้ท่านก็จะเป็นทุกในการคุ้มครองรักษาถ้าท่านอยากมีมิตรท่านก็สละทรัพย์ส่วนที่ยึดมาจากคนอื่นคืนให้เจ้าของเดิมเขาซะให้หมดคืนทรัพย์ให้เขาไปถูกแล้วคืนให้เจ้าของเดิมเขาไปให้หมดแล้วก็ขอโทษเขาแล้วข้าพเจ้าอ่ะท่านสบรยแล้ท่านก็เหลือไว้เฉพาะที่เป็นส่วนของท่าน เพียงแค่นี้ที่ท่านทําท่านก็จะได้มิตรภายในทันทีทรัพสมบทห่านะข้าพเจ้ากลัวจะได้มาแสนลาบากแล้วจะคือให้ไปง่ายๆมันดูอะไรอยู่นะท่านสมณนะนั่นมันเป็นความถูกเมื่อท่านแบกมันไว้ก็ตามใจชาตินี้ท่านจะไม่มีความสุขศัตรูก็จะต้องเล่นงานท่านสักวันท่านสมณนะ ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามคำของท่าน อลอาจจะมีการลงโทษใครให้พวกเราดูก็ได้มั้งถ้าจะมีการลงโทษคนผู้นั้นจะไม่คลายไปจากกัจจยนะเป็นแน่เลยฉลังทําไมต้องเป็นกัจจยนะด้วยละ่ะก็กัจจยนนะะทําความผิดไว้นะ่ะสิกัจจยนะทําความผิดอะไรอนะไฝบาทธรรมนะทั้งที่นายห้ามแล้วไม่ยอมฟังเรี<อ>ยกมาตัดเตือนตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เชื่อ<ม>ครั้งนี้เลยถูกลงโทษ หน้าองสารกันไปเลยนะทางตํารวจเขาออาอาหารส่วนตัวของเขาน่ะไปบ้าแท้ๆยังถูกลงโทษเลยอะล่ะนี่รีบไปกันเถอะช้าๆพวกเราจะพร้อถูกลงโทษไปด้วยเมื่อไหร่จะพ้นจากการเป็นทาสนาทีก็ไม่รู้ห้อยอย่าพ้นไปหนเลยนะตายแล้วน่ะแหละเห็นจะพ้นเป็นทาสถ้ายังมีชีวิตอยู่อย่าได้หวังไปเลยก้มหน้ารับกรรมไปเถอะอะ่ะไปกันดีกว่า ทำไมอยากตัวลงโทษก็ไ <c oughs> มากาพร้อมแล้วใช่ไหมอค้ามาการพร้อมได้เลยค่ะดีล้วเรียบประชุมทุกคนวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะบอกให้รู้เรื่องสำคัญอะไรนายท่านใครได้รับโทษหรือนายท่านไม่มีใครได้รับโทษต่อไปนี้จะไม่มีการลงโทษอีกแล้วเอาละ่ะขอถามหน่อยว่าเวลานี้ทุกคนเป็นท่าของเราใช่ไหมไห บางคนที่นะบางคนบ้านเรือนถูกเรายึดมาใช่ไหมใช่ใช่ใทุกคนอยากได้คืนเลยโอ้หอยากเลยแต่เขาไม่มีหวังอ่ะโอนายท่านคงไม่ยกให้หรอกนี่แต่จะยึดเอามาน่ะในบูมบ้านเนี้ยเป็นของนายท่านหมดแล้วทุกคนฟังทางนี้น่ะบัตรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง ในหมู่บ้านเราจะไม่มีท่าตีกต่อไปขออนุญาตนายท่านไปเทุกคนที่เป็นท่าเราขอประกาศปลดปล่อยเป็นอิสระไม่ต้องไปท่าเราอีกต่อไปบ้านที่นาที่เรายึดมาหรือใช้อำนาจซื้อมาด้วยราคาถูกเราขอคืนให้กับทุกคน ไม่ใช่เป็นการเส้งพูดนะที่พูดมานียเป็นความจริงท่านสมณะพูดเนี่ยเป็นพยานยืนยันได้ขอให้ทุกคนเชื่อได้เท่าที่ท่านมันติยะพูดมานี้เป็นความจริงทุกคนเป็นอิสร ะ, ะตั้งแต่บัดนี้ ท่านอุบาสกมันเตียท่านสมณะนิมนต์ท่านนั่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านอุบาสกเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาสบ้านเรือนไร่นาะข้าพเจ้าก็ะคืนไปแล้วท่านเองก็ปลื้มใจมากไม่ใช่หรือใช่ ข้าพเจ้าปลื้มใจมากกับการกระทำครั้งนี้คนที่มีท่าทางปสศัตรูก็ยิ้มแย้มเข้าหาไม่มีใครคิดไร้อีกท่านมีความสุขไหมสุขที่สุดเลยข้าพเจ้ามีความสุขมากทีเดียวแล้วเงินแปดสิบโกดละ่ะท่านยังอยากได้อีกหรือเปล่าข้าพเจ้าไม่อยากได้แล้วที่มีอยู่พอกินไปได้เป็นร้อยปีแล้วจะโลกมอโทโศไันา ข้าพเจ้าสิ้นทุกแล้วไม่ขอเก็บเอาความทุกมาสุมไว้ในอกอีกอาตมาดีใจที่ท่านสิ้นความโลภเพราะความโลภคือตัวของความทุกและอาตมาก็ต้องขอลาท่านจะไปไหนไปทุกหนแห่งที่คิดว่าไปได้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านอยู่ที่นี่แต่คงเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าถ้ามีโอกาสขอท่านแวะเวียนมาที่นี่อีกสักครั้ง ข้าพเจ้าจะดีใจมากถ้ามีโอกาสอาตมาจะแวะเวียนมาตามที่ท่านต้องการอาตมาขอลาเชิญท่านสมณะ วันที่จะตกหยุดเวียนพักตอนก่อนดีมากไม่ไม่อยากจะพักเลยใจมันร้อนอยากไปถึงกรุงร้าก็ครุกข่ยเร็วเดินทางกลางคืนนอกจาจะไม่สะดวกแล้วบรรดาลูกเวียนตางก็เหน็ดเหนื่อยก็ต้องเดินทางมาตลอดทั้งวันแล้วจจะ ท, าทําให้พวกนั้นพอใจก็ได้นะลุงเราก็ให้เงินไิเสกจุกมันกีคราสเห็นเงินจะตาโตเห็ดเหนื่อยมากๆเขากขารเดินทางกจะล่าช้าอยู่ดี เรียวาจะพอาการหยุดพักหยุดพักก็ตอนนี้ไม่ต้องเสียงเงินพิเศษไปดีกว่าเออเจงของเจ้าฮะเอามั้นการหยุดพักได้เลยออาหยุดเรียนเออการริมฝั่งนา้โา เห็นแล้วเห็นจะต้องหยุดพักผ่อนตรงนี้อ๋อไม่ต้องพักอยู่โดดเดี่ยวมีพ่อค้าเกวียนมูใหญ่ตั้งค่ายพักอยู่ริมหนองน้ากลางพุ่งนาอันกว้างขวางถ้าจะเดินต่อไปก็ไม่แน่ว่าจะพบหมู่บ้านข้างหน้าหรือไม่ทางที่ดีพักค้างคืนอยู่ ใ, ใกล้ๆกับกองเกวียนเนีะ่ะรุงเช้าจะได้อาศัยบิณฑบาตจากพ่อค้าเกวียนก่อนออกเดินทางต่อไป ปักปดใกล้ๆพุ่มไม้พอมองเห็นกองเกวียนได้ถนัดเดินทางจากหมู่บ้านเพราวะขามได้สามวันก็เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเลยกันพระอาทิตย์กำลังจะลับแนวป่าอยู่แล้วเอ๊ะนั่นใครเดิในมานั่นสองคนเป็นชายทั้งคู่คนหนึ่งอายุคงในราวห้าสิบอีกคนยังหนุ่มอายุไม่เกินยี่สิบปีเป็นแน่ ทั้งสอนก็กำลังเดินตรงมาที่เราโอ้คาระวะท่านอนาคาริกมีอะไรเลยอุบาสกท่านเป็นพระบิกษุในพุทธศาสนาใช่หรือไม่ถูกแล้วอุบาสกท่านเดินทางมาจากไหนละ่ะท่านกมานะัมมะะอัตมาเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์นครหลวงของมคตธนะเหรอถูกแล้วโอ้ โดยท่าทางอุบาศกทั้งสองตื่นเต้นมากใช่ข้าพเจ้าตื่นเต้นจริงจริงแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านเดินทางมาจากที่นั่นทำไมอุบาศกถึงว่าไม่น่าเชื่อเพรา ะ, ะระยะทางไม่ใช่ไกลๆกลนะทีถึงไม่ใช่ไกลแต่ก็เมื่อตั้งใจเดินทางก็ต้องมาถึงที่นี่ได้จริงๆินะไม่มีอะไรที่จะพ้นไปจากความพยายามไปได้เออ าท่นานสมณะอยู่กรุงราชคฤห์คงรู้จักพระเรวัตสินะพระเรวัตต์ไหนละ่ะอา้าวที่เป็นประธานสงแห่งเวรุวรณารามไงละ่ะท่านรู้จักไหมรู้จักดีมากกันสมณะเออถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอสนทนากับท่นานนานหน่อย ล, ละท่านอยากสนทนาอะไรเชิญตามสบายอุบาสกอาตมายินดีจะสนทนา ด้วยเรื่องอันเป็นสาระกับท่านเสมอเรื่องนี้ไม่สาระแน่ถ้าเช่นนั้นเชิญท่านรู้จักพระเรวัตตาดีไหมคิดว่าตะมารู้จักดีแล้วที่เขาลือกันน่ะเป็นจริงหรือเปล่าลืออะไรลือกันว่าพระเรวัตตานี่ยเก่งกาจมากนะักเป็นจริงไหมเก่งกาจในทางไหนล่ะเก่งในทางโตข่ารม ขปเจ้าได้ทราบข่าวว่าบรรดาตราสดาเจ้ารัติต่างๆในเมืองราชครืดถกพระเล ว, วตปราชลาบข้าไป ต, ตามๆกันจนไม่มีใครกล้าจะปรากคารมด้วยจริงหรือไม่กัมณนะะอาตมาก็ได้ทราบอย่างนั้นเอ๊ถ้าอย่างงั้นก็ต้องเจงจริงนะคงจะอย่างนั้นถ้ายัางนั้นขอถามต่ออีกสักนิดเถอะนะเชิญดูบาศกถามมาเถอะอาตมาจะตอบเท่าที่รู้อ๋อ แต่ขอจะมาทราบสักนิดหนึ่งก่อนท่านธรรมนัต้องการกราบอะไรละ่ะท่านทั้งสองเป็นใครเราทั้งสองเป็นพ่อ้ากูเอียนกเอียนที่หยุดพักพ่อนอยู่นั่นล่ะสิถขกแล้วธรรมนัฐเอาละอุบาสกห้องใจอะไรเชิญถามพระเลวัตเถระนะ่ะ มีอายุประมาณรักเท่าไรอาตมาคิดว่าคงไม่เกินสี่สิบปีแต่ดูท่าทางท่านยังหนุ่มแน่นอยู่มากรู้สึกว่าท่านสนใจพระเรวตตาเป็นพิเศษท่านมีธุระอะไรกับท่านเหรออุบาสกไม่สิท่านระมันนะมีโดยตรงทีเดียวเรากำลังเดินทางไปกรุงราชะฤย์เพื่อจัดการกับพระพิสุขลูกนี้ล่ะจัดการกับพระเรวตัตต เขาอกแล้วทำไมท่านต้องไปจัดการกับท่านเลยละอุบาสกท่านมีเรื่องอะไรกับภิกษุรูปนั้นไม่โดย้องนอกท่านธรรม น, นะแต่พักพวกของขบเจ้าที่มีมันเรื่องอะไรกันละ่ะอุบาสกท่านถึงได้เจ็บแขนสมณนะรูปนั้นก็เมื่อเร็วๆนี้มีนิครนคนหนึ่ง เดินทางมาจตกกุรงราชกึกแกงให้เราทราบว่าพวกนิครณในประสบความปลาชัยย่อยยับแต่พระเรวัตต์นาความอับอายและความเสื่อมเสียมาสู่พวกเขาอย่างมากพวกเขาที่อยู่ทั้งกตุรงราชกฤครึกรู้สึกท้าใจมากแล้วพยายามคิดหาอุบายที่จะจกําจัดพระเรวัตะ์ซะแต่ยังมองไม่เห็นอุบายที่เหมาะสม จะลอบทำร้ายด้วยอาวุธให้ตายก็ทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะอุบาสกทำได้ยังไงผิดหลักไอหิงสาในศาสนาของเราแล้วท่านจะทำสถานใดกบเจ้าเห็นไม่อยู่ทางเดียวในการที่จะคำจัดได้ทางใดเลยอุบาสกให้เขาลาศิกขาออกไปเป็นคาราวาจะสำเร็จเหรอเท่าที่กบเจ้าทราบ ดูมันเขายัางเป็นภิกษุภุตุชนยังไม่ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอยู่น่าสงสัยสิยจิทำไมเขาจึงกล้าเปิดเผยความลับให้พระภิกษุในพุทธศาสนาซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกับพระเรวัสตะฝังตัวที่ไม่ได้อำพรางอะไรเลยบาะทีก็าอาจจะแน่ใจว่าพระภิกษุพระเนจรรูปเดียวที่พบกลางทุ่งนา หากจากกรุง <จะ S 1> ราชา <จะ S 1> คฤหมากมายเช่นนี้คงทําอะไรเขาไม่ได้ละมันเท<ส>่าที่อาตมาทราบดูเหมือนท่านยจะเป็นปุถุชนแต่ท่านเป็นปุถุชนที่มีใจหนักแน่นมั่นคงมากนะอุบาสกถึงจะหนักแน่นมั่นคงเพียงใด ท่านก็ต้องลาสิกขาในคราวนี้ละท่านจะทำประการใดเรามีวิธีอันแยบยลที่สุดท่านจะใช้สตรีสาวสวยเป็นล่อให้ท่านลาสิกขาใช่ไหมเอ๊ะท่านรู้นะอัตมาคิดว่าพอจะรู้ใช่อย่างที่อัตมาพูดหรือเปล่าใช่แล้วท่านกัมมันะะเรา